อียดเทศถึงเรื่องหน้าาสติที่จริงหน้าาสติก็ดีกายสตน า, นานสติก็ดีหน้าสติป็ดีมันเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายด้วยกันทั้งหมดมที่ายแยกออกไปเฉยนี่แหละ ลงมาที่กายอะไรกล่าวทั้งเรื่องมาเมลณาสติตัวตัวตัวนี้ตั ว, วตัวนี้ยมันจะตายก็ดีตัวตัวนี้มันเป็นอยู่อย่างเคยพิจารณาความเป็นอยู่คู่วันจะตายนี่แหละตัวตัวนี้แหละต้องมาฟ้าสติก็จะลมหายใจเขาออก กาย า, าจายสติเสือพิจารณากายอันนี้อันเดียวกันนั่นเ่ยจึงว่าหลงหรอกพิจารณาไปไปมาก็เลยหลงนะลืมคิดว่าคือรวมสรุปรวมจกควบไม่ได้มาเกิดจากอะไรที่พิจารณาอย่างนั้นรวมควบไม่ได้เฉยนี่แหละต่ถึงอะไนก็ จะพิจาอธิบายเป็นเรื่องอนาคตาติติต่อไปเพื่อไม่ขาดตอนเป็นอนาคตติอทีกเก้าอนาคาาตะติที่ท่านอธิบายตามบัญญัติคือพิจารณาลมหายใจเข้าออก หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสลับกันไปอย่างนี้หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเอาอยู่อย่างนี้ให้จิตรวมลงไปได้ก็เป็นใช้ได้านี้ท่นพูดถึงเรื่องความจริง เป็นนับหนึ่งนับสองอยู่มันจะรวมได้หรือมันไม่วางนะกำหนดลมอยนั้นเลยไม่วางมันจะรวมได้หรือจะแท้ที่จริงคู่ปฏิบัติกุศลทั้งหลายถึงขนาดนั่นก็ดีมันก็อยากรวมอยู่แล้วถึง คิดบางคนก็ถึงรวมลงไปทังนับหนึ่งนับสองเลยลืมไปอันที่ัลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็หายไปไหนก็ไม่จัาบยังเหลือแต่ความสงบอย่างเดียวอันนเราเรียกว่าอา น, นาปนานสติกรรมฐานมันรวมไปแล้ว กรรมฐานอะไรก็เาเธอพุท ธ, ธาสติธรรมาสติสังขารสติชีลาจาขาสติอะไรก็ตามเถอะอันนั้นเป็นแต่คําปฏิก ร, รับเป็นเครื่องล่อเครื่องปล่อยเครื่องล่อเครื่องปล่อยให้เข้ามาสู่จิตรวมคันธาหากว่า ไม่รวมก็มาเป็นประโยชน์อะไรนะปาสติมนาแล้วนาสติอะไรากายตาสติบ่นอยู่นั่นเนี่ยกายเป็นบน่นเป็นเพอ้อไปใช่อันที่มันจะเป็นภานาสมาธิเลยไม่เป็น เป็นคนขี้บน่นคนเราขี้บนวมากกันเขาเกียดเขาชังบ่นอย่งนั้นเนี่ยทันไม่รวมแล้วมันไม่หายบ่นหรอกพอรวมแั้งจะหายบ่นเลยเสียอัานี้แหละสงบเยือกเย็นคนนั้นจะไม่มีปากมีเสียงต่อไป หายขี้บนแหะแต่หน้าเจียดายบางคนบางคนบางอาจารย์เมื่อมันหายทำพฤติกรรมหายไปคือจิตรวมลงไปแล้วไม่ตามจิตเลยหายเลยเข้าใจว่า ทำบริกรรมเป็นของเป็นของดีในคราสคืนมาทำบริกรรมอีกลืมคำบาริกรรมไม่ได้มั น, น, นแสดงว่าผู้สอนไม่เข้าใจถึงเรื่องภาวนาจึงต้องเทือกคำบริกกรรมเป็นใหญ่ แท้ที่จริงเมื่อจิตรวมแล้วหายไปหมดคำพิธิกรรมไม่มีแล้ว <c oughs> คำพิธิกรรมมีมากฝายในที่นี้ถึงองจิตยาวและปาสติไอ้เรียกว่ามโนสติจิต นี่อีกมากตัว น, นี้อีกอสุอภัสสิปอนุสติส0ปอสุอภัสสิปมีมากมายกสินสิปธาตุวธานอร า, าสติกูร อไรอะลูก ป, ประชานสี่ลูปประจานสี่อะไรต่างๆมากมาย น, นั้นก็ล้วนแล้วแต่บริกรรมทั้งนั้นอย่างรูกประชานละรูปกประชานนี้บริกรรมอะไรอีกมันทางมันถึงรูปประจานในลูปประชานไม่ต้องบริกรรมหรอมันถึงฌานถึง ธรรมะบาตรได้จะปริกรรมอะไรมันปฏิกรรมเบื้องต้นนี่ดิที่จิตไม่อยู่นี่ล่อให้เข้ามานี่มันยากตรงนี้มันเข้ามาถึงสมาที่คือมันแน่วแน่แล้วปล่อยลงไปหมดไม่มีอะไรเลยทำปริกรรมแม้แต่ตัวของเราก็ไม่ รากรดไม่ไทราบว่าอยู่ไหนมันเป็นสมาธิเ่ะจึงว่าน่าเสียดายที่ไม่ตามสมาธิตรงนั้นทางที่ถูกที่ดีนั่นต้องตามสมาธิตอนนั้นสิความสงบอยู่ไหน อันที่ว่าไม่มีอยู่ไหนใครเป็นคนว่าไม่มีต้องมีคนพูดคนต้องมีผู้พูดคนว่าไม่มีพูดสงบต้องมีผู้ว่าต้องสงบมีอยู่ตาเขาไปเห็นให้เขาไปรู้ตรงนั้นจึงจะได้ความจิตบอกว่าแต่ไม่มีไม่มี อะไรก็ไม่มีตัวตนอะไรก็ไม่มีใครบ้างก็ไม่มีทำไมไม่เห็นตัวว่าไม่มนะีนี่แหละคำบริกรรมหัังฟวงมดที่พันนาไว้มากมายอย่าไปพูดแต่เรื่องขีดปี่ทานว่าเลยบางที นางไปในนางปะตะสาจาราอย่างเอาแสงไฟมาเป็นอารมณ์พระองค์หนึ่งไปนั่งอยู่ริมตะเห็นนกยางจินปลาเอานกยางกินกลานกยางกินปาลาวว่าเป็นอารมณ์นั่นยังไงจาเร็จไม่ใช่นี้ไปเพียงสี่จิตเท่านั้น มากกว่าไปคนนั้นอีกที่ท่านว่าไว้ว่าจะยอ่อหรอกนะจึงเอาเพียงแต่เครื่องล่อให้เขาาเ้าวไม้เจริญนี่แหละเมื่อเข้ามาแล้วก็ปล่อยวางเสียให้เข้าไปจับตัวจิตหนึง่งต้องการหัดจิตนี่แหละต้องการให้เข้าถึงจิตนี่แหละ ภานาอะไรอะไรก็ต้องการเข้าหาจิตเมื่อเห็นจิแตแย่ของมาแล้วทิ้งมดทึ้งว่านั้นที่อธิบายฟังมามน า, น, าานาสติก า, าดีสกายาสติก็ดีอนาปาราสติก็ดีมันรวมในจีตเดียวคือกายจะดีเลย กายเนี้เป็นเีดพิจารณากายนี่แต่พิจารณากายนี้ได้ทำไมพิจารณาเป็นทุกข์ก็ได้พิจารณาเรื่องของไม่เที่ยงก็ได้เป็นของว่าเฉยตนได้ตัวก็ได้แต่อย่าไปทิ้งอร น, นี้แล้วก็แล้วกันทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะเราเกิดขึ้นมาได้ตัวตนอะไร จะไปทิ้งให้คใครจะทิ้งไว้ที่ไหนจะฝากใครไว้จะขาย ใ, ใครขายกับตัวของเรานี่ยแหละจะฝากนหนึ่งกับตัวของเรานี่แหละรักษาตัวของเรานี่แหละเลี้ยงดููเรื่องรูปเสือหรือประการต่างๆเมื <S 1> <S 1> ่อเป็นเช่นนั้นจึงจำเป็นที่สุด จะต้องยกกายขึ้นมาปิเจเดนาเมื่อคุณต้องการเห็นทุกโทษในวันจ่าสงสารยกกายขึ้นมาปิยเดนาเพราะของมีอยู่ทำมาฐานกองมดดนวนแต่ของมีอยู่ท้งนั้น มาพิจารณาไม่ใจ่เอ า, าของอะไมีม่ชัดจะทำพระพุทธเจ้ารู้กับรู้ของจริงคือของมีอยู่นั่นเองมันเป็นอยู่อย่างไรก็ให้รู้จริงตามเป็นจริงนั่นแหละ้วยเจา้าท่านสอนตรงนั้น <c oughs> สอนให้เห็นจริงด้วยตาด้วยด้วยใจด้วย อย่างตัวของเราเกิดมาเป็นทุกข์ใครก็เห็นว่าเป็นทุกข์เกิดแก่จะตายใครแกเป็นทุกข์ครั้งนั้นถามใครใครก็รู้ตัวเจ้าของเอกก็รู้ใจเอกก็รู้ตาก็เห็นนั่นเลยเหื่งของจริงชาติพิรุษขาญาลาพิรุษขาเมลาพี่รุษขัง ชาติลาพยายามที่เป็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นโทษทุกข์เราจะไปทิ้งให้ไกลทิ้งเขาไม่ได้ไม่อยู่แล้ว น, น, นะพิจาณอีกแล้วนะนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นของพระเรียเจ้าของจริงของพระอริยเจ้า เราลับไปเบื่อหน่ายไปเกลียดเี่ยเห็นทุกข์ล้วก็อยากทรมอยากตายอยากไปฆ่าฆ่าทิ้งผิดเกิดทุกขโทมนัดขับแค้นในใจนั่นผิดไปจึงว่าธรรมทั้งหลายนี่แหละตัวของเรานี่แหละ แต่พิจ น, นาเห็นทุกข์แล้เห็นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาทุกข์อันนี้นหมดอันนี้อย่ทุกข์อันอื่นต่อไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยยักย้ายไปเรื่อยอย่างทุกข์ในการอยู่การกินการกินไปแล้วก็สบายหน่อยนึ้วกลับทุกข์อีกรู้จากรสชาติอะรอร่อย คือทราบร่างกายไปนใน ส, นสารทางกามีความสบายเบิบานอ น, นั้นพักหนึ่งเยเลยไปถ่ายไปถ่ายทุกข์เขาเรียวกว่าไปถ่ายทุกข์ถ้าไปถ่ายก็ไม่ได้ทุกข์มากยิ่งมากเท่เาับเก่าเรื่องของไอเลตอร่อยเนะี่ยมันทุกข์มากกว่าเก่า วิ่งตะเลทรายซุกซ่อนไว้ไม่กลัว ค, คนจะรู้จะเห็นเวลากินโอ้โหเปิดเผยปวดโภคค้างอยู่การกินอะไรต่างฉันได้กินดีฉันอาหารดีอะไรต่างอนนี้อร่อยมันมันทุกข์อย่างนี้เลยเวลาที่มันทายมันก็ทุกข์ไปทุกข์อันนี้แหละไม่ใช่ทุกข์อันอื่น ตัวนี้แหละเรียกว่ามีสุขแล้วก็มีทุกข์มันกลับเกิดเป็นอนหนึ่งอย่างของไม่เที่ยงัของไม่เที่ยงนงั่นแหละมันเป็นทุกข์มันทุกอย่างว่านี่แหละมันทุกข์ก็เป็นของกายฐาน ทุก็ไม่ใช่ของใครทุกก็ไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นมาไปเดียวไปดายแล้วก็หายไปกระทุกเกิดขึ้นมาเดียวปก็หายไปยไม่ของใครอนั้นมันไม่ใช่ของใครทั้งหมดจึงว่าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีอนัตตาของมีอยู่ อันนี้ขอไม่อยู่ที่เห็นอย่างนี้แหละที่ปรากฏที่เนี้เป็นอนัตตาอันนี้อนาปานกติพิจารณาเราไม่ใจเขาออกจนกระทั่งหมดไปถึงดวงกายคาตาของเกาพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาที่อื่นเรียกากามฐานกามฐานคือพิจารณานี่แหละ ทุกคนเป็นกรรมฐานเดวยกันหมดถ้ามีตัวมีกายเรียกว่ากรรมฐานนั้งนะั้นถ้าถ่ายบาดแบกกดเข้าไปเรียกกรรมฐานไม่ใช่หรอบมีตัวเบตุนดดวยกันเป็นกรรมฐานเดียกันทั้งหมดไม่ใชโทษเดพระกรรมฐาน เขาเป็นเป็นกรรมฐานเด็กกะนี่ออกคนหนึ่งถ้าที่เขาโทษกรรมฐานขึ้นธรรมะเทศเอะทะจนถ้ากรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างหลายอย่างหลายเรื่องพูดเป็กรรมฐาน ไม่ถูกไม่ออกดีเขาไม่ออกอ่ะมันท่านนั่งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กรรมฐานหือทําไมยังโทษกรรมฐานเดบะอยู่ป่าอยู่ตรงไม่ใช่กรรมฐานท้านนั่งไม่ใช่กรรมฐานผมยังหัวก็ไฟเขาได้นหนึ่งี่ันนั่งก็คอ้คอนเคาะเอาไว้เิียทีมันั่นไม่ใช่กรรมฐานเลยหลงธรรมะแล้วเปิดแข้ยวเลย ไม่ลืมกรรมฐานตันเองกรรมฐานตาจากกรรมฐานท่านสอนตั้งแต่บวชท่านลืมไปเจสาม า, านะคะท่านตาตะเกีตั้งแต่บวดพิจนาอย่างนี้แหละอาาปาสติไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องว่า หายใจเข้าหายใจออกเมืออ่อไว้ที่จมูกไว้ที่ชรวง อ, อกไว้ที่ท้องน้อยงย่านีน้ถึงนั้นถึงนี่นยังออกโอ้โมากมายมันไม่รวมฟ้าทีหรอกมันรวมได้อะไรเรียกว่าอนาปากิติทั้งนั้นไม่มีททั่งลมก็ไม่มีสับมันรวมไปแล้วไม่มีเสียเลยหายมด นั่นเยเรียกว่ากรรมฐานแท้เรียกว่าหนาปราจติกรรมฐานแท้มาเทพเท่านี้แหละ